อย่าลืมที่ผมบอกว่าความปล่อยวางที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จากจิตที่มีปัญญาแล้วพวกเราทุกคนเคยทุกเพราะความคิดติดความคิด ติดอารมณ์ติดความรู้สึกไม่อยากจะคิดมันก็คิดปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จากการปฏิบัติธรรมเราก็จะเข้าไปคิดจะคิดให้มันแตกหัก คิดให้มันได้คำตอบคิดว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนั้นทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้นี่คือลักษณะของจิตที่มันอ่อนไม่มีสมาธิจึงหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ เราสังเกตดูอดีตที่ผ่านมาคิดแทบตายก็ปล่อยวางไม่ได้จะปล่อยวางได้ตอนไหนคิดจนเหนื่อยแล้วเลิกดีกว่าอันนี้ไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญา ป่ยวางเพราะมันเหนื่อยแล้วพอแล้วเบื่อแล้วไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าแต่ถ้าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยฝึกฝึกแบบนี้แหละที่ผมบอกฝึกอะไรที่มันดูโง่โงอย่างนี้แหละ แค่รู้สึกตัวเนี่ยแค่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยจะทำอะไรจะจีบจับอะไรก็เห็นความรู้สึกตัวนี้มีอยู่อารมณ์ในจิตใจที่ติดค้างอยู่ก็มีอยู่แต่ไม่ได้สนใจสนใจที่ความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ในขณะนั้นๆอารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดอะไรที่มันยังติดอยู่มันก็ยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่แต่เราแค่ไม่ยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวสติสมาธิจากความรู้เนื้อรู้ตัวนี้กำลังค่อยๆเกิดขึ้นอยู่ดีๆ มันก็หลุดออกจากอารมณ์ความรู้สึกความคิดเหล่านั้นที่ติดอยู่เองหลุดเองไม่มีปีไม่มีครุยเลยเราจะได้เห็นว่ามันทำเองอีกแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือมีสมาธิก็เกิดผลแบบนี้ พอมันหลุดพัวจังหวะนั้นโล่งสบายเลยแต่ถ้าสมาธิมันยังน้อยหลุดพัวดีใจหลงเข้าไปดีใจเอ้าสมาธิตกอีกแล้วเรื่องเดิมมาใหม่ติดใหม่แต่อาจจะติดเบาลงความเข้มข้นอาจจะลดลงก็เห็นอีกอ้อ เป็นเองอีกแล้ว้วทำไงจะเข้าไปคิดกับมันไหมไม่ใช่ก็รู้เนื้อรู้ตัวต่อไปทำเหมือนเดิมทีนี้มันจะหลุดอีกหรือจะค่อยค่อยคลายจนหมดไปก็ได้มันแบบไหนก็ได้แล้วแต่มันจะทำ การแก้ปัญหาความทุกข์ทั้งหลายในศาสนาพุทธไม่ใช่เราเข้าไปจัดการแก้มันตรงๆไม่ใช่แบบนั้นเราสร้างเหตุสร้างเหตุของสติสมาธิและปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนื่องๆกันไปตามเหตุปัจจัยจเจริญสติสมาธิมันก็เกิดสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิด พอปัญญาเกิดมันก็หลุดเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยสัมผัสได้เลยใช่ไหมหลุดพ้นเล็กๆน้อยๆ น, นี่เรียกหลุดพ้นเหมือนกันเห็นไหมว่ามันสบายมันโล่งขนาดไหนเวลามันหลุดพ้นจากความทุกข์ใดๆ เราลองนึกว่าหลุดพ้นที่เรียกว่านิพพานเนี่ยหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนี่มันจะขนาดไหนเราหลุดพ้นจากทุกนิดเดียวเรายังรู้สึกโอ้โหมันสุดยอดเลยวะ่ะ เพราะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยตอนนี้เราลองคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรตอนเด็กๆ เ, เป้าหมายในชีวิตเราคืออย่างหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเป้าหมายในชีวิตเราก็อีกอย่างหนึ่งทํางานเป้าหมายในชีวิตเราก็อย่างหนึ่ง ตอนนี้รู้จักการปฏิบัติธรรมเป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนหรือยังมีของมีคุณค่าที่สุดในโลกนี้รออยู่ข้างหน้าจะเอาหรือยังหรือจะคงเป้าหมายเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่รู้จักธรรมะ เวลาเรามีความทุกข์จเจอเพื่อนจเจอแฟนเจอใครๆที่พร้อมจะปลอบใจเรามักจะบอกอะไรปล่อยวางยอมรับมันเถอะปล่อยวางอย่าคิดมากมีใครทำได้ไหมไม่มีใครทำได้ เราจะสวนกลับว่ามึงไม่เป็นกูนี่ไม่เป็นชั้นแกไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ขนาดไหนนี่ปลอบยังไงมันก็ยังทุกข์มันปล่อยไม่ได้หรอก แต่สุดท้ายชีวิตก็ต้องปล่อยวางปล่อยได้แต่แล้วเรื่องใหม่ก็มาใหม่ก็ปล่อยไม่ได้อีกแล้วก็ใช้เวลาไม่ก็หนีหนีความทุกข์อกหักก็ไป ม, มีแฟนใหม่ก็คลาย จะรู้จักยอมรับและปล่อยวางได้อย่างแท้จริงมีทางเดียวฝึกจิตใจนี้ให้มีปัญญาจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ความหลุดพ้นด้วยวิธีอื่นๆเป็นของชั่วคราวนักปฏิบัติธรรมเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกคนฉลาดหน่อยมาปฏิบัติธรรม แต่ฉลาดไม่พอเข้าไปนั่งทำความสงบมันจะได้ไม่ทุกข์สงบไม่มีปัญญาก็หลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นชั่วคราวพอเลิกทำความสงบมันก็ทุกข์ใหม่นั่นศาสนาพุทธที่แท้จริงเป็นศาสนาของปัญญา มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงมันทุกข์ไม่ได้มันไม่ทุกข์เอง บางทีเรื่องนิดเดียวนะก็ทำให้เราทุกข์ได้เรื่องเล็กมากเลยคนอื่นเขาถ้ามารู้เรื่องเขาคงจะแบบเฮ้ยทุกข์อะไรวะกับเรื่องแค่นี้ไอเรื่องนิดเดียวของคนอื่นอะ่ะพอดีมันเป็นเรื่องใหญ่ของเราเพราะอะไรแต่ละคนสะสมนิสัยสันดานอนุสัย มนไม่เหมือนกันบางคนก็ทุกข์กับเรื่องแบบนี้บางคนก็ทุกข์กับเรื่องแบบนั้นสองคนเอามาคุยกันมันก็บอกว่าไอ้เรื่องแบบนั้นไปทุกข์ทำไมมันพูดเหมือนกันแต่มันทุกข์กันคนละเรื่องเพราะกรรมมันไม่เหมือนกัน กรรมที่จะติดกับเรื่องอะไรๆมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครทุกข์อะไรอยู่เราก็อย่าไปคิดว่าเอ้ยทาไมแค่นี้มันทุกข์เพราะกรรมเขาเป็นแบบนั้นเขาต้องติดแบบนั้นเราก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเขาอาจจะไม่ทุกข์แบบเราก็ได้เพราะนั้นให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ยังทุกข์อยู่ เราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้นำพาจิตใจไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราเขาก็เหมือนกันยังทุกข์กันเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่าใครยังมีกิเลสเหมือนกัน ไม่มีใครดีกว่าใครเห็นแบบนี้มันจะช่วยลดความถือตนถือตัวว่าเราดีกว่าเขา บางทีจิตใจมันก็เหนื่อยล้ากับการที่จะนั่งรู้สึกตัวหรือว่านั่งเห็นร่างกายนี้มันนั่งอยู่ก็ให้เห็นว่าจิตใจนี้กำลังแสดงอาการเหนื่อยล้า ทำไมนั่งเห็นร่างกายมันนั่งอยู่จะไปนั่งหลงเหรอถามตัวเองมันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะนั้นรู้ทันสภาพสภาวะ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้พอรู้ทันได้มันก็จะคลายไปหมดไปดับไปแล้วก็แค่นั่งอย่าให้การแค่นั่งแล้วมันเหนื่อย ที่เดินชอปปิ้งนะไปฮ่องกงเดินตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนไม่เหนื่อยความหลงเนี่ยมันมีอำนาจมากมันทำให้เราทำอะไรก็ได้ นั่งรู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายมันนั่งอยู่แบบนี้สังเกตได้ไหมว่าจิตใจเนี่ยมันมีอาการมีลักษณะที่เหมือนมันจะออกไปอะลองสังเกตดูมันยังไม่ทันก่อรูปของความคิด มันมีแค่อาการลักษณะที่มันจะออกไปที่มันจะลืมเนื้อลืมตัวเราเห็นมันได้ไหมมันแว บ, บ เหมือนมันจะเปนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ทันไปก็ถูกรู้ซะ ก, ก่อนเพราะจิตใจเนี่ยมันธรรมชาติมันชอบนึกคิดนึกคิดเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปกับมันก็ปรงแต่งธรรมชาติมันคือชอบนึกคิดอาการที่มันกำลังจะไปนึกคิดนั่นะ เราจะเห็นได้รู้ทันมันได้ ไม่จมลงไปในความสงบหายใจเข้าลึกๆให้มันตื่นเข้าไว้ ความรู้สึกในจิตใจตอนนี้เป็นยังไงรู้ทันไม่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกงุ่นง่านในจิตใจครอบงมเราเห็นมันไม่ใช่เป็นมัน ตกล่องของความเคลิมปลุกให้มันตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยให้จิตล่องลอยออกไป มีหน้าที่รู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกอารมณ์ทางจิตใจมีหน้าที่เห็นไม่ใช่เป็น เข้มแข็งที่จะรู้เนื้อรู้ตัวไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ความรู้สึกในจิตใจอยู่กับปัจจุบัน ร่างกายมีไว้รู้สึกจิตใจมีไว้รู้ทัน ช่วง3ามสี่วันที่ผ่านมาเราก็เข้าใจความรู้สึกตัวรู้จักที่จะเห็นร่างกายในอิริยาบถต่างๆเช่นตอนนี้ร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่เราก็เห็นเราใช้ร่างกายนี้เป็นบาดฐาน ของความรู้สึกตัวเป็นแบ็ k กราว n ์ที่เราจะรู้ทันจิตใจได้ทีนี้ต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นผ่านเข้ามาทั้งใจ ให้เรารู้มันลงไปในมุมของไตรลักษณ์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านมาทางร่างกายให้เรารู้มันในมุมของไตรลักษณ์สิ่งใดๆที่กำลังเกิดขึ้นจะแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเปลี่ยนแปลง จากที่ไม่เคยมีอยู่มันก็เกิดขึ้นมาจากที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นให้ต้องแตกดับสลายตัวไปสภาวะใดๆที่กำลังผ่านเข้ามาในกายในใจมันเกิดขึ้นเองเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เกี่ยวกับคนหรือใครเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นมันเกิดหรือดับด้วยตัวของมันเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คืออนัตตา พวกเราเข้าใจความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวความอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นแบ็กกราวด์แล้วเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วต่อไปนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกายในใจนี้ในมุมของไตรลักษณ์เรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนาการเห็นตามความเป็นจริง ส่วนใหญ่เวลาอะไรเกิดขึ้นเราสงสัยเฮ้ยทาไมเป็นแบบนี้เฮ้ยทาไมเป็นแบบนั้นเข้ามาถามเข้ามาหาสาเหตุไปนั่งคิดไปหาข้อมูลมันเป็นเพราะอะไรทาไมเป็นแบบนี้ให้รู้ไว้ว่าตอนนั้นความเป็นเราเกิดขึ้นแล้วความเป็นคนเกิดขึ้นแล้วอัตราตัวตนเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าเราจะรู้สาเหตุหรือไม่รู้สาเหตุของมันทุกสิ่งทุกอย่างเราทุกคนจะเห็นได้ในมุมของไตรลักษณ์จบลงที่ไตรลักษณ์จบลงไปที่ตรงนั้นแล้วเราจะไม่ต้องมีปัญหากับอะไรใดๆทั้งสิ้นที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ อย่าลืมว่าโลกนี้จบลงที่ไตรลักษณ์สภาวะใดๆที่กำลังเกิดขึ้นในกายในใจนี้ล้วนเป็นโลกเมื่อทุกอย่างจบลงที่ไตรลักษณ์การปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่พาเราหลงทาง จะไม่พาเราไปติดแค่ความว่างความสบายความโปร่งความโล่งความสุขอย่างเมื่อกี้นี้นี่แม่ผมก็มาเล่า นั่งสมาธิเห็นกายเห็นอาการทางกายอาการทางใจเห็นไปเห็นมามันโปร่งโล่งว่างสบายอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนร่างกายด้านบนหายไปขายังเหลือหัวยังเหลือ ความสุขนั้นอัศจรรย์แต่ถ้าเราไม่รู้จักเห็นมันในมุมไตรลักษ์เราจะคาอยู่แค่นั้นติดสุขอยู่แค่นั้นเราจะนึกว่าอันนี้อัศจรรย์แล้วเพราะนั้นความรู้ที่พระเจ้าฝากไว้ในเรื่องของไตรลักษ์เป็นเหมือนเข็มทิศ ที่ทำให้เรารู้ว่ามันยังไม่จบเราต้องเห็นสภาพสภาวะใดๆจบลงในมุมของไตรลักษณ์ไม่ว่ามุมใดก็มุมหนึ่ง และนี่เป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าการเห็นกายและจิตเห็นอาการทางกายหลืออาการทางจิตใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นบอกเกิดของสมาธิเราไม่ได้ไปนั่งทําสมาธิเรานั่งรู้เห็นกายและจิตนี้ไปเรื่อยๆสมาธิมันเกิดเอง จะเห็นว่าถ้าไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ว่าการเจริญปัญญาคือการเห็นสิ่งใดๆที่กำลังเกิดขึ้นในมุมของไตรลักษ์เราจะไปไม่ถึงปัญญาเราจะคาอยู่แค่สมาธิ แต่บางคนได้ยินได้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์อ่านหนังสือธรรมะพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากจนเราจำขึ้นสมองแล้วเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เป็นไปเองตามธรรมชาติเลยไม่ติดไม่คาอยู่ที่ใดเพราะว่าฟังมาเยอะแล้ว รู้อะไรเป็นอะไรจิตใจมันก็ไปเองเป็นเองเห็นไตรลักษ์เองก็อาศัยสุตตะมยะปัญญาฟังธรรม แต่ถ้าเราไม่ได้เคยมีโอกาสได้ฟังธรรมในแง่ของการเจริญปัญญามันก็คล้ายๆมันไปต่อไม่ถูกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาศัย ปัญญาหลายอย่างสุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาอาศัยศิลปะมากบางคนฟังเรื่องเจริญปัญญามากๆ มันจะเจริญปัญญาอย่างเดียวเลยสมาธิยังไม่มีเลยจิตยังไม่พร้อมเลยจะเจริญปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์มันคิดไตรลักษณ์แทนเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะปิดจุดอ่อนคำสอนทุกอันได้มันยาก เมื่ออะไรที่กำลังจะผ่านมาผ่านไปในกายในใจนี้แล้วเราจบลงที่ไตรลักษณ์แร ก, แรกเราอาจจะไม่ค่อยชำนาญแต่เดี๋ยวอะไรอะไรมันผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆมันจะเห็นจนชินน่ะชินว่าเออทุกอย่างมันก็ เป็นแบบนี้เนี่ยหรือว่าที่สรุปกันว่ามันเป็นเช่นนั้นเองน่ตะตัทตามันเป็นเช่นนั้นเองมันก็มาจากไตรลักษณ์นั่นแหละคือเห็นเรื่อยๆเห็นจนชินเห็นจนรู้ว่ามันก็อีหลอบเดียวกันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นจิตใจนี้เป็นกลาง อะไรอะไรผ่านมาเนี่ยมันเข้าใจแล้วจะดีจะร้ายจะชั่วจะเลวยังไงมันก็ตกอยู่ไปยใต้กดไตรลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตใจจะเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆกับอะไรที่กําลังผ่านมาเข้ามาในชีวิตจิตใจที่เป็นกลางก็คือจิตใจที่เป็นปกติ จิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นปกติเป็นจิตใจที่พร้อมจะเป็นสมาธิมันก็วนกลับมาอีกวนกลับมาเติมสมาธิอีกจากการเห็นกายและใจตามความเป็นจริง เนี่ยมันส่งเสริมซึ่งกันและกันหมุนไปหมุนมาไปเรื่อยๆแรกๆเราฝึกเนี่ยที่ผมเคยพูดรู้สึกตัว พ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งโดยการรู้ทันความคิดไม่เข้าไปในความคิดความคิดเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันแล้วรู้ทันและข้อที่สสุดท้ายคือหันกลับไปดูจิตใจบ่อยๆถ้าเราไม่หันกลับไปดูจิตใจไม่ย้อนกลับไปดูจิตใจระหว่างวันไปดูเอะล่องลอยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านสารพัดเลย รู้สึกตัวก็เอาไม่อยู่เพราะกำลังความฟุ้งซ่านในชีวิตเรามันเยอะเพราะนั้นสามข้อนี้เป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติทุกคนเพื่อให้มันคอยเติมกำลังไม่ให้ตุ่มมันรั่วหยดน้ำลงไป ตุ่มดันรั่วหายหมดน้ำหายหมดรู้สึกตัวทีนึงปึ้งคิดไป10บนาทีรู้สึกตัวทีนึงปึ้ ง, ค, ง, งคิดไปชั่วโมงหนึ่งนี่เขาเรียกว่าตุ่มมันมีรูรั่ว แล้วก็บนโอ้รู้สึกตัวก็ทำไมฟุ้งซ่านจังเพราะนั้นใช้ทั้งกายและใจนี้เป็นตัวปั่นกำลังให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิถึงจะเห็นอะไรๆ ไ, ได้ตามความเป็นจริงเห็นอะไรๆผ่านมาและผ่านไปได้เหมือนพวกเราเนี่ยก็ ฟังรมกันมามากฟังทมกันมาหลายสิบปีฟังไตรลักจนเบื่อแล้วเพราะนั้นมันเข้าไปในหัวใจใเราแล้วอเรื่องเจริญปัญญาเนี่ยแต่เราขาดจิตที่พร้อม จะเจริญปัญญาจริงๆเราจรึงต้องมานั่งปฏิบัติสมข้อที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เพื่อให้จิตนั้นพร้อมเจริญปัญญาด้วยตัวมันเองมันไปเองเป็นเองเพราะเรามีข้อมูลเยอะแล้ว ส่วนคนที่ไม่มีข้อมูลทางธรรมะสักเท่าไหร่ก็จะไปได้เหมือนกันแต่อาศัยเวลาต้องเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็แสดงความจริงในที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้รับความจริงในที่สุด ไม่มีใครบอกท่านหรอกเรื่องไตรลักษณ์ท่านก็อาศัยการเห็นเห็นไปเรื่อยๆจนอ๋อทุกสิ่งเหมือนกันแบบนี้จบลงที่ไตรลักษณ์ด้วยการผ่านการเห็นบ่อยๆ แต่พวกเราโชคดีก็มีคนเฉลยข้อสอบแล้วเราเห็นปุ๊บมันก็ไปทางนั้นเลยเป็นไตลักหมดเห็นปุ๊บก็ไปทางไตลักหมดอัตโนมัติเพราะเราฟังมาเยอะแล้ว อย่างเราเห็นไม่ว่าร่างกายเนี่ยมันหายใจเองเราไม่ต้องสั่งเราต้องสั่งมันไหมให้หายใจเข้าหายใจออกมันไม่ต้องสั่งมันทำเองสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้ไหมสั่งไม่ได้มันทำเองเลักษณะแบบเนี้ เราเห็นร่างกายในมุมของไตรลักษ์ได้มันเป็นเองทำเองเวลาผมพูดถึงการเจริญปัญญา ไม่ใช่เราก็อยากจะเจริญปัญญาเห็นใตรักอยากเห็นไม่ใช่แบบนั้นหน้าที่ของเราคือเตรียมจิตให้พร้อมด้วยความรู้สึกตัวเตรียมจิตให้พร้อมไหมเพราะว่า ให้จิตนั้นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก่อนสำคัญคืออาศัยความรู้สึกตัวอาศัยการหันกลับมาดูจิตใจบ่อยๆอาศัยการอุดรูรั่วด้วยการรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปจิตที่ไหลไปคิดไปปรุงแต่งรู้ทันมันไม่เข้าไปในมัน รู้เนื้อรู้ตัวไว้อันนี้คือจุดสำคัญที่สุดถ้าจิตมันไม่พร้อมเนี่ยต่อให้ไปดูไตรลักษ์ไปเห็นไตรลักษ์มันก็เห็นไม่จริงเพราะนั้นความสำคัญคืออันนี้แล้วเดี๋ยวอะไรผ่านมาผ่านไปที่บอกว่าจะเกิดมุมมองเห็นในมุมของไตรลักษ์ได้ เพราะนั้นไม่ใช่บอกว่าเจริญปัญญาแล้วก็ทิ้งความรู้สึกตัวทิ้งนูน่นทิ้งนี่ที่ปฏิบัติมา 3-4 วันโ อ, อไม่ต้องทำและดูอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่ให้ทำมามา 3-4 วันนั้นต้องทำตลอดตลอดชีวิต แลวการเจริญปัญญาที่ว่าจึงจะเกิดได้จริง